ใจของเราเนี่ถ้าทำไปแล้วมันมีแต่จะดีกับถ้ามันดีแล้วมันก็จะดีไปตลอดมันไม่เสกเรื่อง่างการภายนอกนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราทำเท่าที่จำเป็นทำเท่าที่ใช้กับกับการงานของเรา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 ที่ท่านตัดว่าอาวิชชาปัจจียสงฆาราอวิชชาเป็นผู้กำกับให้สำขาญคิดกุุงแต่งถ้าคิดกุุงแต่งแล้วก็จะคิดไปในทางสมุทัยเพราะเมื่อมีเวทนาก็จะเกิดปัญหาตามมามีเวทนาก็จะเกิดความอยากถ้าสุกเวทนาก็อยากจะให้สุกไปนาน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 ไปไปสั่งหรือไปลบล้างเขาได้้าสินที่เราสั่งหรือลบล้างได้ก็คือสมุทัยที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเรานี่ถ้าเราสอนใจให้คิดอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่คิดอยากที่จะให้สื่นต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างใรอย่างหนี่เมื่อไม่มีความคิดที่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 ตอนต้นเวลาเห็นสิ่งแปลกใหม่ๆก็มีอาการดี อ, อกดีใจชอบอกชอบใจพอได้เห็นอยู่จมตาจำเจไปเรื่อยๆก็จะเกิดความเบื่อหน่อยขึ้นมาใครมีความสุขกับสิ่งนั้นก็เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นมีความทุกข์กับสิ่งนั้นไปต้องหาอะไรใหม่ๆ ม, มาทดแทนอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะ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 พุทโธไปอย่างเดียวแล้วมันจะไม่มีอารมณ์มันจะทำใจให้เป็นเป็นกลางทำให้ใจว่างแล้วก็จะทำให้อยุดคิดได้จะโวงลยงเข้าสู่ความสงบได้หรือถ้าเราไม่ชอบคำบริกรรมเราจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่ต้องสั่งแอว่าดูสั่งแต่ว่าเรนี่อย่าไปคิดกับเรื่องอื่น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 กลัวความตายก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ที่ล่อแหลงต่อความตายอย่างนี้แล้วเราก็จะได้พิสูจน์กันจริงๆว่าเรายอมรับความตายได้หรือเปล่าเพราะเมื่อไปอยู่ในสถานที่ล่แหลมแล้วเดินย่อมตอนนี้ความกลัวจะต้องเกิดขึ้นมาทั้งตัวเพราะว่าผู้ที่คอยสั่งให้คิดรทางความกลัวขึ้นมานี้เขามีกำลังมากกว่าของเรา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 มีรล่าจังหากที่จะไปกลัวเขาเองนี่เป็นอุบายของสมาธิคือให้บริกรรมพุทโธยึดสวดบทสวดมันบทได้บทหนึ่งก็ได้ที่เราถนัดฝากเป็นฝากใจไว้กับการสวดเหมือนคนที่ใกล้ตายบางทีเขาไม่รจะยึดกับอะไรเขาก็ยึดกับการสวดเหมือนแต่ก็สามารถสวดได้อย่าง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 ว่ามีอาการต่างๆซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังก็ได้มีโครงกระดูกมีเอวัยวะวายอร์มีปอดมีไตมีตับมีนำใส้นหรือจะพิจารณาของสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่ออกมาจากร่างกายที่สองกลิ่นเหมนก็ได้เช่นหุจลาตสวะน้ำเงินอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่สุขโรคที่ออกมาจากร่างกาย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 นีโรธะคือการดับทุกข์จริงดับอย่างท้าวลดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้อีกต่อไปนี่คือการดับทุกข์ด้วยปยัญญาจะดับได้อย่างท้าวลแต่ถ้าดับด้วยสมาธินี้จะดับได้ชั่วคราวในขณะที่จิตหยุดคิดปรงแต่งแล้วรวมเข้าสู่ความสงกแต่แต่ความดับทุกข์ของ จิตด้วยปัญญานี้ไม่ต้องเข้าสมาธิอยู่อย่างปกติอย่างนี้แหละแต่จะสามารถควบคุมบังคับไม่ให้ไปคิดไปในทางทางสมุทยได้เอเห็นอะไรก็ไม่อยากได้ได้ยินอะไรก็ไม่อยากได้คได้สับวแต่ว่า่รู้ได้สับแต่ว่าเห็นได้สับวร่ว่าได้ยินเท่านั้นเองจะไม่มีความดีใจเสียใจยินดียินล้างกับสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรูบร้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 เพียนท่านนี้ก่อนกอเลยไได้ยินทางที่พระเจ้าเป็นไปอยู่กับยืนกับช้าเม่อกาษาเล่าบเล่าใก็เพราะว้สิทาองท่านตีกันอ้าท่าะห้างล้วก็ไม่หยุดตีกันท่านก็เลยต้องไปยืนจำภาษากัน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 บันนีคุณบาอาจารย์ท่านทั้งเหลท่านเหลืมไอยู่กับลิงิงก็บนเขาที่ทั้งขาม่แต่ลิงทั้งสิ้นขาไมีแต่ลิงลิงดั้งขาไม่แต่ลิงเยอะมากโดยถ้าแม่ฟังว่าท่านอาจารก็ไม่ว่าจะจะจะอยู่ไัทําไมที่ท่านอยู่ก็เพื่อที่จะให้อว่าพวกเราเมื่ออว่าของท่านไม่มีความหมายแล้วท่านก็ก็ไมยใจ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 พะจ้าบอกวความสามทีของส่วน้ของหมู่คณะนี้เป็นส่วความเจริญของคณะถ้าความแตกแยกกันแล้วนี่มันก็จะเป็นความเสื่อมความคุดของหมู่คณะเราอย่าเอาแพ้ชนะเลยเราเอาตรงที่ว่าสารตัดทิ้งยังไงก็รับความคำตัดสของศาล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 ก็ทําให้ใจเราเศร้าหมองไปตลอดเราก็ต้องหวั่นวว่าเป็นกรรมของสัตว์ก็แล้วกันใครทํากรรมอย่างใดว่าก็ต้องเป็นก็ต้องรับผลของกรรมนั้นไปเขาทาดีเขาก็จะได้รับผลดีเขทําชั่วเขาก็ต้องรับผลชั่วไปเราไม่จะไปเป็นผู้รับผลแทนเขาสนนเราไปวิตกังวลทำไมให้เราให้เรามาดูที่ใจเราเป็นหลัก อยู่ ใ, ใจของเรา่าสงบสบายไหววางได้หรือเปล่าของทุกอย่างก็เป็นของนอกใจนอกกายอยู่แล้วตายไปเราก็ไม่ไเรียวเรื่องราวเหล่านี้ไปนอกจากเอาความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปลูแต่งของเราไปนั่นเองอนั่นเราต้องรู้จักคิดเราื่อจับคิดก็ ค, ด ค, ดคิดไปในทางมากก็่าเพือ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 ก็มีทางนี้ทีิทานรูปการขอมาธิอาจารย์วที่แล้วที่ตั้นถามว่าทิดนี่ิดจงดนะคะมีบางคนบอกว่าพุูมันจะปิดสมาูิโอ้โอเราพูดถือไม่ใไม่เกี่ยงกันหรอวกบาเราก็ก็พูดแบบไม่ใช่อ่ามีคนละทักไม่ได้เสียย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 อะไรพัดมานิดเดียวลงเบาๆแผงพัดมาก็ปิวตามไปละใครพูดอะไรใครทำอะไรนิดหน่อยไม่ถูกใจก็เอาลงเสียไปละนั่นก็นี่ก็คือพูดถึงเรื่องสงบก่อนนี่จะเอาไปใช้ยงไหก็เป็นเรื่องของภาษาแหละภาสาอังกฤษมีไหมคะคุณะรรมไหมคะบ้านบางทีมันชอเป็นสาังกฤษแล้วมันเข <c oughs> ้าใจเข้าใจกั <c oughs>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 ไปด้วยเพระงั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถึงจะมีเจ็บอล้าก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราเราไม่อยาป็นปัญหาใช่ไหมเราอยาเป็นปัญหาเราเขาเขาจะไล่กันเลยของเขากดตรงไปข้างหน้าไม่ได้หคือให้เราใจของเรานิ่งๆกับเหตุการณ์ต Th ่างๆได้ ไม่ดีใจไม่เสียใจจะเรียกว่าสงหก็น้าจะเรยกว่านิ่งก็น่าพยายาไปให้เป็นีปปฏิปิเ ร, ร, ร, รียร์กับรูปเสียงกลิ่รสกับเหตุการณ์ที่เราที่ใจของเรามาสัมผัสกันรลยแม้งงจะจะตายในขณะนั้นก็ยังนิน่งเฉยได้อยู่ก็แสดงว่าเราเราสอบผ่านเรามีสติปัญญาที่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 ถ้ามีต่สติปัณนาที่นี้ก็ควบคุมเอวิชาไดาเป็นครั้งเป็นขราวเวลาที่รวมเข้าสู่ความสงบเวลานี้ไม่ไม่ขยับเลยแต่เวลาออกจากความสงบนี้เริ่มมีความคิดปุงแต่งเอวิชาเขาก็จะมีมีโอกาสที่จะเข้ามาสั่งความคิดปรุงแต่างได้ถ้าไม่มีปัญญาคอยสั่งก็เห็นเวลาก็จะเกิดรักเกิดชอบเกิดชังขึ้นมาีน้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 นี่ต่อสิ่งที่มากระทบได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นถูกจรงนี้ใช่ไหมคะเถงองก็เลยค<ต>ุณที่พี่เขฟังอย่างนัง้น ถ, ถ, ถ้าต้อมยืนปัญญา <c oughs> มันจะไม่นี่งพอแก่สมาธิแล้วนะเดี๋ยวเอาวิชาช่วยแจ้งให้คุ้มแต่งไปทางยืนดีว่ามันก็จะไม่นิ่งมันก็จะมันก็จะมีการแกว่งไปแข่งมา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 เกิดอาการรักช้งขึ้นมานนเราต้องมองมองให้เห็นความจริงของของรา่างกายว่าเป็นถิ่นดินน้าำลมไฟถ้าเราจะไปยินดียินร้ายกับลมดินน้ำลมไฟทำไมแต่เราไม่มองกันเราจะมอกจะมองแต่รูปร่างหน้าตาเวลา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 แล้วมันจะได้เข้าใจจะเห็นภาพจริงว่าเป็นอะไรเป็นแน่อะไรเป็นจริงอะไรเป็นจริงอะไรไม่จริงไมจง่จริงที่จริงก็คือดื่มน้ำในันอย่างอื่นมันไม่จริงอย่างอื่นมันชั่วคราว <c oughs> มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยของมัน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 ถ้เห็นเาสุภาพมันก็ไม่เยอะมันก็มัน ก, มนก็มันก็คำคำจัดการราคานดังน้นบางทีถ้าเราไม่ไปเห็นของจริงบางทีมันก็มันไม่สะเทืนใจบางที้องไปเห็นภาพของคนตายยิ่งคนที่สวยๆล้วไปดูว่าตามที่เขาตายว่าเป็นยังไงแต่ได้โอ้โนี่ก็มีแค่นี้เอง ไม่ได้สวยไปตลอดโดยแต่สมัยนี้เขาก็มีมีภาพพาเส็จให้ดูแล้วก็ดูว่าเออเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยลองลองแวก อ, อกออกมาดูมาโชว์กันนั่งไงไปใต้ไใต้ตผิวนังของเรานี่มีอะไรผหน้าตาของเราเนี่ยถ้าเราถ้าเราฉีดผิวออกมาไปใต้ผิวเนื้อของหน้า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 เพรา่างกานี้ส่วนใหญ่ก็ประกอบด้วยน้เป็นองค์ประกอบมีน้ไมีลมลมที่เราหายใจก็ออกไปก็คือความร้อนที่มีในร่างกายดิมก็คือสิ่งที่เป็นโ่นแข็งก็เป็นดี้ก็มีอยู่ตรงนี้ะถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมันจะมันจะไม่หลง มันจะไม่ไม่ไม่รักไม่ชังถ้าเขาดีเขาช่่อมันก็เป็นเรื่องของการของเขาไปถ้าเขาสวยก็ร่วงเขาก็สวยชั่วเกาวไม่สวยไปตลอดเดี๋ยวก็ต้องเขาก็ต้องเปลี่ยนไปจากสวยเป็นไม่สวยเวลายืดเจ็ดสิบแปดสิเข้าไปแล้วยังไงดูยังไงก็ไม่สวยแล้ว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 ความอยากได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วหยุดได้เพราะเราก็หยุดมาแล้วเหมือนพอปัญญาบอกว่าอันนี้ให้หยุดนะเหมือนก็หยุดแล้วก็หยุดมันได้เหมือนกับรถที่มีเบรคเรารู้ว่าถึงสี่แยกต้องหยุดมันก็หยุดได้เพราะมีเบรคแต่ถ้ารนไม่มีเบรทั้งรู้ว่ามนถึงสี่แยกต้องหยุดแต่หยุดไม่ได้เพราะไม่มีเบรค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 เห็นการทำงานของของจิตเห็นผลที่เ<ร>กิด<ร>ขึ <pakai> ้นจากการทำงานของสติสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นก็อย่าฟังอย่างเดียวบางลรื่งก็ต้องเอาไปปฏิบัติด้วยถึงคนั่วนี้ก็เหนื่อยดูขีดทางกีดหงกอกลับมาที่เดมทำงานเอนเดิน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 อยากทุกข์กมาเป็นไม่สุดไม่ทุกข์มันก็กลับไปกลับมามันเป็นในน้ำตาก็คือว่าเราไปบังคับควบคุมมไม่ได้มันก็เป็นปลายามเรื่องของมันนี่ก็คือการพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาเพื่อให้เห็นายรักในเวทนานพิจารณากายก็เห็นไตรักในในใ น, ในกายให้เห็นอรสุภาให้เห็นปฏิสุขในในกายเพื่อที่จะ